คำนี้ขอกราบในบ น, บนพระอาจารย์วัฒนชัยแสดงธรรมให้พวกเราฟังกันครับขอน้อมน้อมต่อคุณพระรัตนไตรโอกาสเพื่อนตรมึกุณท่าน จเจริญธรรมไม่ชีและญาติธรรมทุกท่านเนาะก็นั่งสบายๆเนาะของวัดค้อยไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วนะวันอาทิตย์ที่16นี่แหละเหลืออีกสี่วันเนาะก็จะเป็นวันออกพรรษานะคราว น, นี้แล้วก็หลังจากนั้นก็วันเสาร์ที่ยิบสองตุลาคมก็เป็นวันทอดกรถิน ขวัดป่าส่วโตนะส่วนวันศุกร์ที่21ก็เป็นวันทอดทิ้นของวัดภูเขาทองแล้วก็วันอาทิตย์ที่13ก็เป็นวันทอดทิ้นของภูหลงหรือวัดป่ามหาวันเนาะติดกัน3วันเลยนะหลังจากนั้นก็วันที่1นึถึงแธันวาคมก็เป็นการเดินธรรมญาตตาเนาะก็เดินกันทุกปี <c oughs> นะปีในอาจารย์ไปศารก็วันนั้นก็ประกาศเชิญชวนเนาะให้เรามาเดินกันนะเดินตั้งต้นน้ํำลำทารไปจุดหนึ่งปลายน้ําเลยนะมันกัมันก็เปลี่ยนเส้นทางเมื่อก่อนเดินจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวนี้ก็เดินจากข้างบนลงไปข้างล่างเนานะอันนี้ก็เผื่อว่านะก็พูดนี่ก็ชักชวนเดี๋ยวเพื่อพระใหม่นะบางทีคิดว่าโอ้เราออกบรรดาแล้วหรือรับประถินแล้วก็จะสึกกันเนาะ อันนี้นะก็อย่าลืมว่ามีการเดินธรรมยาตาด้วยนะเพราะว่าถ้าเราสึกไปแล้วเราก็อาจจะไม่มีโอกาสนะกลับมาเดินธรรมยาตาหรืออาจจะไม่สะดวกนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพระก็จะได้มีโอกาสเนาะเป็นพระก็ได้เดินธรรมยาตาด้วยก็ได้เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งน้องไหนๆก็มาบวชแล้วนะได้ประสบการณ์ในการเดินคล้ายๆก็เดินทุดงเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเดินเป็นหมู่คณะมันก็ได้บรรยากาศไปอย่างหนึ่งนะแล้วก็ ก็อาจารย์ใบซานก็แสดงทำทุกๆวันทุกๆคืนเนาะก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างความอดทนต่างๆเนาะแม้แต่ในสายวัดป่ากันนะก็ช่วงออกพรรษาแล้วก็เตรียมตัทุดงกันนะแต่ไม่รู้สมัยนี้ยังมีทุดงกันหรือเปล่าแต่สมัยก่อนก็มีทุดงกันเยอะนะมันยิ่งมเมื่อสักยี่สิบาสปีก่อนนะ่ะจะทุดงกันเยอะมากกว่าตอนหลังก็คงจะไม่ค่อยมีปา่ามีเขาแล้วก็จะน้อยลงเนาะ ในทางโลกก็มีความสนุกสนานเยอะๆเนาะก็มีลอยกระทงนะแล้วก็วันคริสต์มาสวันปีใหม่นะอันนี้ก็เป็นการเพลิดเพลินสนุกสนานไปในทางโลกเนาะนะครั้ น, นี้นะพระใหม่กนะ็บางคนก็คล้ายๆว่าต้องศึกไปนะอาจจะมีความจําเป็นต่างๆเนาะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็ดีแล้วที่ว่าเราได้มาบวชกันหนึ่งพรรษา เราก็คงจะได้อะไรดีๆไปนะติดเนื้อติดตัวไปบ้างนะไม่ได้มากก็น้อยนะการบัตรธรรมต่างๆการเจรษษษษิญสติการรู้สึกตัวเราคงจะได้ไปบ้างเนาะอย่างเมื่อวันจันทร์ก็หลวงพี่สิงห์ก็มาเทศนะบอกว่าเมื่อก่อนก็เป็นคนขี้หงุดหงิดขี้กโกรธนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องต่างๆได้ง่ายนะพอหลังจากนี้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้สึกใจเย็นลงใช่ไหมบอกเองนะว่าใจเย็นลงใช่ไหมอันนี้ก็ น่ายินดีนะก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนาะนะตรงนี้เป็นคนพูดเองนะอย่าลืมนะใจเย็นลงแล้วนะอีกหน่อยสึกไปแล้วก็ต้องใจเย็นลงนะพอตรงที่ทําผ่านมาก็ถือว่ามันก็ผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อเราสึกไปแล้วก็เรียกว่าเป็นเป็นทิศนะเป็นทิศเนี่ยคนที่ฝึกไปแล้วเนี่ยเป็นทิศทิศก็ย่อมมาจากคำว่าบัณฑิตนะบัณฑิตแปลว่าผู้รู้นะผู้รู้อันนี้ไม่ไม่ใช่บัณฑิตในทางโลกนะ บัณฑิตในทางโลกเขายืมยืมภาษาของทางพระไปใช้ว่าเป็นบัณฑิตแต่จริงๆว่าบัณฑิตเนี่ยเป็นภาษาของพระแปลว่าผู้รู้นะผู้รู้อะไรผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดนั่นเองเนาะรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดดีสิ่งใ ด, ด, งดชั่วนี่แหละคือเป็นผู้รู้ที่แท้จริงเนาะส่วนที่บัณฑิตตามที่จบมาอะไรนั้นไม่ใช่ผู้รู้จริงๆหรอกเป็นผู้จําแต่ผู้จําจําอะไรจําวิชาที่เรียนมาได้จํามา ตอนสอบก็จําสอบเสร็จก็ลืมหมดบางทีเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้สักสอปีก็ลืมแล้วลืมหมดเลยก็มีนะจำไม่ได้หรอกอันนั้นก็เรียกว่าเป็นสัญญาเป็นความจำเท่านั้นเองนะเขบางทีบอกว่าเป็นปัญญาชนแต่ไม่ใช่ต้องเปลี่ยนใหม่ปัญญาชนหมายความว่าเป็นผู้ที่รู้จริงๆเป็นผู้ที่มีปัญญาอันนั้นแต่บัณฑิตนี่น่าจเปลี่ยนใหม่ว่าเออบัณฑิตหมายความว่าอย่างที่ว่านะที่จบมาอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้เรืยอบัณฑิต นะแล้วก็ไม่ได้ปัญญาชนต้องเรียกว่าสัญญาชนสัญญาชนคือชนแห่งความจำนะมีความจําเป็นหลักเท่า น, นั้นเองนะไม่ได้เป็นปัญญาชนเป็นปัญญาชนต้องเป็นคู่ผู้ที่มีความรู้มีความประพฤติดีแล้วก็ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมไม่ไม่คอร์รัปชันไม่เบียดบังทรัพย์สินของราชการหรือของเอกชนนะนี่ถึงจะเป็นปัญญาชนที่แท้จริงนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นการที่เราศึกไปเขาเรียกวเป็นบัณฑิต นะไม่ใบัณฑิตในทางโลกแต่บรบรัณฑิตในทางธรรมซึ่งบัณฑิตในทางธรรมสูงกว่าเพราะว่าเรารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกนี่แหละสําคัญมากเลยเนาะเราก็สามารถที่จะนําสิ่งนี้ติดตัวเราไปนะไปไปใช้ได้ในทางโลกจริงๆริงนะก็เรียกว่าไปใช้เป็นรูกปรธรรมมาบางทีเราก็พูดว่าเรามีสติเรามีความรู้สึกตัวนะแต่จริงๆไปใช้ได้ไหมมันมันมันจิงดูได้ว่าเราไปใช้ได้ไหมนะบางทีเราว่าเราไปบัต ได้หรือไม่ได้เราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหแต่ว่าที่สามารถจะรู้ได้อย่างหนึ่งว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงไหมตรงนี้มันสำคัญมากกว่านะ <c oughs> มีความเปลี่ยนแปลงไหมใช่ไหก่อนที่เราจะมาบวชนี่เราอาจจะเป็นคนขี้งุนหงิ ด, งดขี้โกรธนะขี้น้อยใจขี้บน่นหรือว่ามีนิสัยไม่ดีหลายๆอย่างใช่ไหมครา้ น, นี้เมื่อเราบวชแล้ว3มเดือนแล้วเนี่ย เมื่อเราสึกไปแล้วเนี่ยสำคัญว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงไหมนะ่ตรงนี้มันสำคัญกว่าเนาะถ้าเรากลับไปบ้านแล้วเรามีความเปลี่ยนแปลงให้ทางบ้านเห็นว่าเราเนี่ยรู้สึกมันก็ดีขึ้นนะเราก็หงุดหงิดน้อยลงเราก็โกรธน้อยลงนะเราก็ขยันมากขึ้นนิสัยเราก็ดีมากกว่าเก่านะนะอันนี้ปุ๊บเนี่ยทางบ้านโอ้เกิดความยินดีเกิดความพอใจ นะเกิดความปิติใจเกิดความสุขใจนะอันนี้เป็นบุญกุศลกับพ่อแม่เราเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขนะนี่แหละเป็นบุญกุศลเลยแล้วท่านนะเกิดความยินดีว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะอันนี้เป็นเป็นความสุขของพ่อแม่ทุกคนนะคือพ่อแม่ทุกคนเนี่ยเขารักลูกทุกคนนะไม่มีใครไม่รักลูกหรอกแต่บางทีจะไม่ได้แสดงออกหรือจะแสดงออกก็ได้ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ทุกคนหวังก็คือต้องการให้ลูกเป็นคนดีมีความตันอยูมีความก้าวหน้าในชีวิตนะนะตรงนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่หวังไปอย่างยิ่งเนาะให้เราเป็นคนดีมีความก้าวหน้าในชีวิตนะแล้วหลังนั้นเมื่อเราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเราเองได้แล้วเราก็กลับมาช่วยเหลือพ่อแม่ดูแลท่านในยามแก่เท่านะท่านเจ็บป่วยก็คอยดูแล อคอยรักษาอคอยประคับประคองแล้วก็เมื่อท่านถึงแก่ความตายก็ไปทํากุศลบําเพ็ญกุศลให้กับท่านนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งท่านต้องการแค่นี้ท่านเองท่านไม่ได้หวังเยอะอะไรนะถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงทางนี้ที่ดีขึ้นเนี่ยท่านจะดีใจทันทีเลยนะว่าตรงเนี้ยเนาะมาบวชแล้วก็ไม่เสียแรงนะไม่เสียหลายกลับไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเนี่ยท่านจะมีความพอใจ มีความยินดีมีความสุขอันนี้เป็นบุญบุญสนของเราด้วยนะคุณแม่ก็มีความสุขด้วยเนาะแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยก็จะคิดว่าโอ้ทําไมโบต้องสามเดือนแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเลยคุณแม่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขอาจจะรู้สึกว่ามันน่าผิดหวังนะน่าเศร้าต่างๆด้วยนะอันเนี้ยทําให้คุณแม่เรามีความสุขน้อยลงหรือไม่มีความสุขอันนี้ก็ จ, จะไม่ดีเนาะอาจจะเป็นบาปกับเราเองก็ได้เนาะ ตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีปุ๊บเนี่ยเป็นบุญกุศลทันทีเลยทุกคนจะมีความสุขมากแล้วเมื่อเราเปลี่ยนแปลงได้ปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะชีวิตใหม่หมายความว่าเมื่อเราสึกไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าตายจากาผลาญเหลืองแล้วก็ไปเกิดใหม่ในทางโลกก็ถึงบอกว่าเป็นบัณฑิตมาเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดปุ๊บเป็นบัณฑิตเลยนะเป็นผู้ดูแลนะตรงเนี้ยมันจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเ <c oughs> พราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงได้นี่เป็นสิ่งดีมากนะครั้นี้เราจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะเมื่อกี้เราก็สวดอ่าสติปัฏฐาน4ไปแล้วนะที่เราก็ฝึกกันมาตลอด3เดือนนั่นแหละก็คือกลับมารู้กายรู้ใจของเรานะรู้กายรู้ใจตามรู้นะกายเป็นอย่างไรก็ตามรู้กายยืนเดินนั่งนอนก็ตามรู้นะดื่มกินพูดคิดคู้แขนเหยียดแขนก้มเงยเหลวซ้ายแลงขวาเดินหน้าถอยหลังอุจฉะปัสสาวะ ต่างๆเหล่านี้ก็ให้รู้สึกตัวไปนะตรงนี้เราก็ตามรู้กายใช่ไหมาการตามรู้กายเนี่ยสำคัญมากนะก็เรียกว่าให้เกิดความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้บ่อยๆนะนะตรงนี้มีประโยชน์มากนะเราไปบินธบาตนะเราก็ไม่ได้เดินเฉยๆเดินเล่นๆเดินเพลิดเพินหรือเดินแล้วก็ใจลอยอันนั้นเราเสียประโยชน์ใช่ไหมไปบินธบานเนี่ยดีมากแล้วก็เดินรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ มีความรู้สึกตัวไปในการเดินเดินก็ล้วดเดินนะมีความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะกลับมารู้สึกตัวเท่านั้นเองง่ายง่ายมากใช่ไหมนะเราเห็นอะไรก็กลับมารู้สึกตัว <c oughs> ใจก็ไม่ลอยไปได้ยินอะไรก็กลับมารู้สึกตัวใจก็ไม่ลอยไปคิดอะไรก็กลับมารู้สึกตัวใจไม่ลอยเนี่ยถ้าเราทําได้เงี้ได้ประโยชน์เยอะแยะเลยนะนะวันๆนึงเราก็ทํางานนู่นทํางานนีนะ่อาจจะนะช่วยกรริจการของวัดนะหรือกวาดพื้นถูพื้น ต่างๆก็รู้สึกตัวไปด้วยนะนเนี่ยมันเป็นการกลับมารู้สึกตัวได้ประโยชน์เยอะใช่มนะครันนี้เราก็รู้รู้ตามรู้จิตใจของเราด้วยใจมีมีความคิดก็รู้ทันมีอารมณ์ต่างๆ MM. hmm. ็รู้ทันมีความโกรธก็รู้ทันมีความรักก็รู้ทันมีความเกลียดก็รู้ทันมีความเหงาก็รู้ทันมีความกลัวก็รู้ทันมีความเครียดก็รู้ทัน ต่างๆก็คือกลับมารู้ทันเท่านั้นเองนะรู้ทันแลกลับมารู้สึกตัวนั่นแหละใช่ไหมเมื่อเรารู้ทันก็ดับก็หายไปใช่ไหมตรงนี้มันง่ายมากเลยนะเรามีความคิดปุ๊บกลับมารู้สึกตัวมันความคิดก็ดับไปเลยนะมันเห็นเลยนะดับไปเลยนะบางทีเราเดินจงกลมเนี่ยเดินกันมีความคิดปุ๊บอ่าไม่เป็นไรไม่ได้ห้ามความคิดแต่กลับมารู้สึกตัวเออรู้ว่ากําลังเดินนะกลับมาลุกกายเคลื่อนไหวปุ๊บความคิดดับไปเลยเนี่ยตรงนี้เห็นเห็นปั๊บนะโอ้มีประโยชน์เยอะเลยนะ ตรงนี้มันเมื่อกลับมาบ่อยๆแล้วจิตก็จะตั้งมัน่นนะจิตก็จะมีกําลังอจิตก็จะเกิดน่ะเข า, าเรียกว่าเกิดการตื่นรู้นะตรงเนี้ยจิตนจะตื่นรู้ได้บ่อยๆนะกลับมารู้สึกตัวน่ะจิตมันก็จะตั้งมั่นแล้วก็ตื่นรู้ขึ้นมานะมันมันก็ว่าจิตเรามีหลักแล้วนะมันก็เป็นส่วนที่เรียกว่าใจเราเป็นปกติได้บ่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนเราเป็นคนใจร้อนขี้งงิดนะอย่างหลวงพี่สิงห์ก็เล่าใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะใครๆสมวนมากก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละ ใช่เป็นคนที่ใจร้อนหงุดหงิดอะไรทั้งหลายแหละใช่ไหนะครั้ น, นี้ตรงนั้นเน่เราจะไปโทษตัวเองก็ไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกนะไม่เคยฝึกเลยก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคนทั่วไปก็แบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหแต่เมื่อเรามาฝึกแล้วโอ้ใจลอยกับรู้สึกตัวปั๊บเนี่ยมันรู้ทันทีนะตรงเนี่ยจิตมันตื่นรู้แล้วนะเวลามีความคิดไปก็กลับมารู้สึกตัวจิตก็ตื่นรู้ขึ้นมาแล้วนะมีความโกรธ กดไปกลับรู้สึกตัวจิตก็ตื่นรู้ขึ้นมานะ ม, มีความงหงุนง็ดก็รู้ทันจิตก็ตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการขยา่าทารู้แท้ๆเลยนะให้จิตตื่นระู้บ่อยเนี่ยเพราะว่าตื่นรู้ก็จะชํานานทำนานมันก็ว่าจิตเขามีทักษะมีมีความเคยชินนะที่ว่าจะกลับมารู้สึกตัวตรงนี้มันไม่ใช่ว่าต้องกลับมากลับมาแบบรู้รู้แบบชัดเจนนะมันแค่รู้ทันเออขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะ ขณะนี้กำลังคิดขณะนี้กําลังโกรธกาลังรักกำลังชั่นเนี่ยมันแค่รู้แค่เนี่ยก็ถือว่ารู้สึกตัวได้แล้วใช่ไหมจิตก็มีกําลังแล้วนะนั่นนะมันก็สังเกตได้มีความแตกต่างกันเยอะนะเมื่อก่อนเราก็เป็นคนใจร้อนใช่ไหมใครมาดา่ามาว่าเรามานินทาเราเราก็ใจร้อนนช่ไหมเราก็โตเถยียงไปนะบางทีเราก็พูดแรงๆก็มีนะบางทีเราก็ด่าพวกกลับนะอันนั้นเพราะเราตรงนั้นเราไม่รู้สึกตัวเป็นหลักเพราะคนเราสมารก็เป็นแบบ น, นั้นอยู่แล้วใช่ไหมนะ แต่เมื <si |notimestamps|> ่อใจเราเริ eh. like hey, ่มรู้สึกตัวได้มันจะรู้สึกเออเขาด่าแล้วนะเราก็รู้ทันเมื่อก่อนเราก็อยากจะด่าเขากลับหรือว่าอยากจะเถียงเขากลับแล้วก็พอเรารู้ทันเราก็เฉยเฉยแล้วก็เราก็นิ่งๆิ่งนะเราก็ไม่ได้ด่าแบบสมัยก่อนแล้วก็เฉยเฉยไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะเมือรู้ทันแล้วก็ไม่ต้องพูดไรใจก็สบายนะใจก็เป็นปกติได้เรารู้ทันแล้วนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะบางทีก็ว่าเขากลับด่ากลับไม่ก็ลงมือลงไม้เลยเห็นไหมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะ เนี่ยตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เราเราเ ร, ารู้เราไม่รู้เรารู้ไม่ทันว่าจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะตรงนี้ก็สังเกตบ่อยๆนะออว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่ามันรู้สึกตัวไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวแล้วไม่รู้รหรอกแต่เราสังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงถือเราดีขึ้นแล้วใช่ไหมเราก็คอยสังเกตอย่างบ่อยจิตใจเป็นอย่างไรก็กลับมารู้สึกตัว มีความคิดมีอารมณ์อย่างไรกลับมารู้ตัวเนี่ยมันจะกลับมาได้บ่อยๆกลับมารู้เองนะหลังนั้นจิตก็จะมีการตื่นรู้มากขึ้นนะจิตที่ตื่นรู้เนี่ยมันก็เรียกว่าตรงเนี้ยมันมันมีสติที่ดีมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะมันไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีหรืออะไรทั้งหลายแหลน่นแหละทั้งหมดนี่รวมมาในสติหมดเลยนะสติเนี่ยเป็นหัวใจหลักในการของธรรมะทั้งหลายใช่ไหม บางทีว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นผิดไม่จําเป็นนะจำเป็นว่ามีสติไหมถ้ามีสติแล้วไม่ได้ไปกลัวสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นผิดเพราะว่าเมื่อมีสติแล้วมันจะรู้เองว่าสิ่งนั้นควรทํำและไม่ควรทำนะแต่ถ้าเรารู้ต้องเยอะยะสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นผิดแต่ไม่มีสติปุ๊บนะพอเกิดอารมณ์ปุ๊บมันก็ไหลไปเลยนะไหลไปทางดีทางชั่วทางผิดทางถูกได้้งงงง่่่่่่าายยยเเเพรระไไมมมีสตินนัััอออคคืืบชใจ ไม่มีหลักใจไม่มีจิตตั้งมั่นจิตไม่ตื่นรู้มันก็ไหลก็ไปในความดีความชั่วความถูกความผิดนั่นแหละแต่เมื่อจิตมีสติปุ๊บมันเป็นมันเขาเรียกว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะหรือว่ามีความสําคัญที่สุดมีสติปุ๊บมันจะตั้งมั่นรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายแหละตื่นรู้นะดีชั่วถูกผิดรู้หมดใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็ไม่เข้าไปในอารมณ์ต่างๆแล้วใช่ไหมเพราะนั้นอารมณ์ต่างๆไม่สําคัญดีชั่วถูกผิดก็ไม่สําคัญสําคัญก็มีสติไหมใช่ไหม มีติปุ๊บมันก็รู้ทันหมดนั่นแหละอะไรๆก็ทําอะไรแล้วไม่ได้ใช่ไหมตรงเนี้มันจึงว่าต้องมาฝึกสติก่อนนะเมื่อฝึกสติก่อนปุ๊บเนี่ยมันก็มีสมาธิมีปัญญาตามมาหมดนะถ้าไม่มีสติแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีทั้งหมดมันก็ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆได้หมดนะเหมือนกับคนที่ดื่มเหล้าใช่ไหมคือจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันมีสติอยู่บ้างแล้วมันไม่ใช่ไม่มีสติหรอกแต่ว่าดื่มเหล้าปุ๊บมันสติก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะมันก็ขาดสติ ขาดสติแล้วเป็นไงใช่ไหม เ, เกิดบัตรเหตุใช่ไหมไม่ก็ทําสิ่งที่น่าไขหน้ า, า, ห, นานะหรือไม่ก็ไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะทำผิดศีลผิดธรรมได้ง่ายที่สุดเลยนะไปป้นไปลักทําก้าวข้อก้าเมก็ผิดข้อโกหกนี่ทําได้ทุกอย่างใช่ไหมเพราะว่าไม่มีสติมันทะําได้ทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยคือโทษของการไม่มีสตินะเพราะนั้นเมื่อเรามีสติที่เรียกว่าเราสมบูรณ์แล้วเราดีแล้วจิตตั้งมั่นแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วนะมัน มันจะไม่ไหลไปนในทางชั่วแน่นอนนะศีลมันก็ไม่ผิดนะไม่ผิดศีลแน่นอนนะตรงเนี้ยเมื่อเราทำได้น ะ, ะเมื่อเราศึกไปแล้วนะมีส ต, ติปั๊บอย่างเดียวนะไม่ต้องมีอย่างอื่นอะมีส ต, ติเท่านั้นเองนะตัวนี้มันเหมือนกับเป็นเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเรา <c oughs> พี่เลี้ยงมันจะตามเราไปตลอดเวลานะมันจะตามเราไปทุกๆหนทุกๆแห่งนะเราไมไ่ไปเรียกเขาก็ตามมามานะตามมาดูแลเราเออไม่ไปทาชั่วไม่ไปทาผิด นะไม่ไปกดโกงไม่ไปคอร์รัปชันนะไม่ไปเบียดบังอ่าช่ อ, ชอร่ายบังหลวงหรือรับรายการก็ไม่เบียดบงังคอร์รัปชันของรายการทําทงานเอกนชนก็ไม่เบียดบังคองเ อ, เอกนชนนะเร า, ามีค ร, รอบครัวเราก็ดูแลครอบครัวเราอย่างดีนะในก็เรื่องมีสติแต่ไม่มีไม่มีสติมันก็ตรงกันข้ามเลยนะมันทำได้ทุกอย่างนะทำผิดศีนอ่าหรือว่าทําทุกอย่าง ที่ไร้แรงได้ทั้งหมดนะไม่แต่ข่าคนเองได้เลยใช่ไหมนะตรงนี้นะเราจึงต้องมีสติให้ได้ใช่ไหมอ่านี้สติเราก็ต้องรู้สึกตัวกลับมารู้สึกบ่อยๆนั่นเองนะรู้ทันนะเขาเรียกว่าสติคืออะไรสติคือการระลึกได้ไหมระลึกได้ว่าอะไรระลึกได้กาลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมกำลังคิดนะระลึกได้ว่ากำลังคิดระลึกได้กําลังโกรธระลึกได้กําลังรักระลึกได้กําลังชัง นะหรือระลึกได้ก็ว่ากาลังนั่งอยู่ระลึกได้กำลังยืนกำลังนอนก็คือสัมจัญญานั่นเองขับรู้สึกตัวนึงนะขับรู้สึกตัวกำลังทำอะไรอยู่กำลังยืนเดินนั่งนอนดื่กินพูดคิดเนาะตรงนี้ปั๊บมันจะเกิดสติขึ้นมันทันทีเลยก็คือระลึกได้กําลังทำอะไรอยู่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกเป็นปัจจุบันธรรมนะปัจจุบันธรรมปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะมันออกจากความคิดได้นะออกจากความคิดได้นะ เช่เรานั่งก็ไม่ได้นึกว่ากำลังนั่งนะหรือเดินก็ไม่ได้นึกว่ากำลังเดินยกมือสร้างอยู่ก็ไม่ได้คิดว่ายกมือสร้างอย่างวะใช่ไหมหรือได้ยินก็ไม่ได้คิดว่ากําลังได้ยินนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันนี่คืออะไรปัจจบันธรรมคือความจริงนี่วะความจริงก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับกายและใจนี่แหละมันไม่ต้องอาศัยความคิดเลยเพราะมันปรากฏขึ้นมาอยู่แล้วใช่ไหมนี่เป็นความจริงนะแต่ถ้าเมื่อเช้าเราทานข้าวกับอะไรไม่ต้องอาศัยความคิดนะ หรือพุ่งนี้อย่าทําอะไรก็ต้องใส่ความคิดนเน้นไปเรื่องของความคิดทั้งนั้นเลยนะเป็นความคิดที่ว่าเมื่อมีความคิดแล้วจะไปปรุงแต่งอีกเยอะแยะทำให้เราหลงไปไหลก็เป็นความคิดแต่วิธีการที่จะออกจากความคิดหรือว่ารู้ทันความคิดไม่เข้าไปในความคิดง่ายนิดเดียวก็คืออยู่ปัจจุบันนั่นเองนะกลับมารู้กายนี่แหละรู้กายไปก่อนก็ได้นะรู้กายถ้าเราไม่รู้ก็สร้างจังหวะก็ได้นะหรือพลิกมือแบมือคว่ำ ม, มือ กำมือนะอะไรทั้งหลายแหล่ก็ได้ครึงนิ้วก็ได้นะอยู่กับปัจจุบันนี่แหละทำไมให้อยู่ปัจจุบันให้ได้ก่อนเพราะในปัจจุบันนี่คืออะไรปัจจุบันก็คือเป็นเป็นหลักนะหรือว่าเป็นเป็นยึดสิ่งยึดเหนี่ยวให้ใจมีเครื่องรู้ให้ใจก็มีที่อาศัยให้ใจมีงานทำนะเาเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยให้ใจมีงานทำนะพ อ, อนั่งนิ่งๆปุ๊บใจไม่มีงานทำปุ๊บ มันก็จะเริ่มคิดทันทีเลยเริ่มคิดทันทีเลยเพราะาใจไม่มีงานทำมันก็จะคิดนูน่นคิดนี่ไปแต่ให้ใจมีงานทำเมื่อกลับมารู้ตัวก่อนกลับมารู้อะไรก็ได้นะในกายในหละมีการขึ้นไหวให้ใจรับรู้อะไรก็ได้เล็กๆลกน้อยก็ได้สร้างอย่างไร ก, ก็ได้เดินย่ากลมก็ได้ตรงนี้เมื่อใจมีงานทําำใจมีเครื่องรู้แล้วเขาจะเกิดทักษะในการที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้บ่อยๆรู้ไหมอยู่ปัจจุบันตรงที่เขามีงานทํานั่นแหละ เพาราะมืจิตเราจะปัจจุบันปุ๊บเขาจะรู้ทันทีนะจิตไปคิดรู้ทันจิตไปกลัวก็รู้ทันจิตเกิดอารมณ์ต่างๆรู้ทันหมดนะเนี่ยมันจะไวนะจิตเนี่ยตื่นรู้ได้แล้วนะตรงเนี้จิตจะมีกําลังนะหลังนั้นแล้วนะเราไม่ต้องกลัวเลยนะเราสามารถเอาไปสู่ในโลกกว้างอย่างมีความสุขมีความมั่นใจมีความกล้ า, าหาญนะอะไรก็ได้นะในโลกเนี่ยมันมีนม ท, ทั้งหมดเลยใช่ไหมความดีความชั่วความถูกความผิด คนที่เห็นกก่ตัวคนที่ไร้กาดคนที่หลอกลวงต่างๆนะมีมากมายใช่ไหมอันนั้นก็คือมันก็เป็นคลื่นต่างๆนะถ้าเราว่ายน้ําไม่แข็งนะเราไปเจอคลื่นล้วก็จมน้ําตายใช่ไหมแต่ถ้าว่ายน้ําแข็งแล้วคลื่นมาแรงขนาดไหนเราก็ไม่จมน้ำนะนะเพราะว่าเราว่ายน้ําเก่งเรามีกําลังนะตรงนี้หมายความว่าเรามีสตินะมีความรู้ตัวมีกําลังของตรงนี้แล้ว ไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่กลัวมันใช่ไหมเราก็สามารถที่จะสู้เข้าได้เพราะเรามีสติแล้วนะเราก็สามารถที่จะก้าวไปได้ทางโลกอย่างมั่นใจด้วยความกล้ า, าหาญเนาะเราก็ไม่ต้องกลัวจะทําผิดพลาดเพราะมันไม่ผิดพลาดแน่นอนใช่ไหมนะนะตรงนี้จึงว่าเราจะต้องมีสติให้ได้เนาะนะนะครานี้คิดว่าหลายๆคนก็คงมีสติแล้วนะแต่ถ้าคิดว่าเรายังมีสติอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะเราก็ฝึกได้นะมันยังเหลือเวลาอีกใช่ไหม หรือเวลาที่จะออกพรรษาหรือเวลาที่รับกรถินนะหรือจะอยู่ไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ไหมมันไม่มีใครบังคับเราใช่ไหมเราก็อยู่ไปจนถึงเดินธรรมยาตาก่อนก่อนก็ได้น ะ, ะ, จะเจริญสติไปเรื่อยๆนี่แหละให้จิตมีกําลังก่อนนะเมื่อจิตมีกําลังแล้วมีสติ ด, ดีแล้วออกไปทั้งโลกไม่ต้องกลัวเจออะไรแล้วก็สู้ได้หมดใช่ไหมเหมือนกับเราเป็นแชมป์เป็นแชมป์แล้วไปรับยัไม่กลัวคู่ต่อสู้เลยนะเราเป็นแชมป์อยู่แล้วนะเราจะสู้ได้ทุกคนนะมีสติปั๊บมันก็เป็นแชมป์นะสู้ได้ทุกคนใช่ไหม ตรงนี้จะไปกับรังสำคัญมากใช่ไหมแล้วเราก็กลับไปที่บ้านเรานะกลับไปบ้านเราก็เอาบุญไปฝากคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องน ะ, ะไปบวชมา <c oughs> นะไปบวชมามีการรักษาศีละจะเริ่มเท่านาปฏิบัติธรรมเอาบุญ ม, มาฝากคุณพ่อคุณแมนะ่ตรงนี้ให้ท่านอนุโมทนาสาธุอันนี้ท่านก็จะได้บุญ น, นะบุญเกิดจากการอนุโมทนาใหมนะ่อันนี้ท่านจะได้บุญเยอะเพราะเราไปบวชมาด้วยเราไปบัตธรรมด้วยนะ ดีพอเอาอย่างหรือไปฝากใช่ไหมเอาขออย่างไปฝากอันนั้นประโยชน์น้อยเอาบุญไปฝากเนี่ยประโยชน์เยอะนะเราตัวเราบุญก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยบุญเกิดจากการให้ส่วนบุญนะก็เรียกว่าปฏิทานอเมย์นะจิตใจเราก็จะมีความอ่อนโยนนะเราก็ให้ส่วนบุญบ่อยๆกลับไปแล้วเจอใครเราก็เอาบุญมาฝากเขาทุกคนมาร่วมงานบวชเราจเจอญาติพี่น้องเจอเพื่อนเราก็ไปทักทายบุญมาฝากเขาเนี่ยก็จะดีใจมาก เห้เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะเราเป็นคนน้อมน้อมมากขึ้นนี่แหละหลังนั้นชีวิตเราจะเจอเรื่องนะลุ่งเรืองนะเจอเริญรุ้งเรืองแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเราจเจริญทุ่งเรืองในทางโลกใช่ไหมอันเนี้ยถ้าเราเป็นคนดีนะเป็นคนดีมีศีลธรรมนะมีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงใครนะชีวิตเราจะเจอเรื่องลุ้งเรืออย่างแ น, น, น่นอนนะแต่ถ้าเราอ่ามีความไม่ดีนิสัยไม่ดีเป็นคนขี้โกรธ เป็นคนไม่ซื่อสัตย์นะเป็นคนคดโกงอันนี้อยู่ไหนก็ไม่เจริญเลื้งเลียงนะอันนี้คดโกงปุ๊บมันรวยใค่ชั่วคราวนะแต่จริงๆแล้วพอเขารู้ใครๆรู้เนี่ยไม่มีใครคบเราก็ตกต่ำใช่ไ้มเขาเรียกว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะตรงนี้ต้องจําเป็นหลักไว้เลยซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะเมื่อมีความซื่อสัตย์เป็นหลักแล้วอันนี้คือสิ่งที่จะมาเป็นหลักหล่อเลี้ยงเราเราอยู่ไหนคนก็จะเชื่อใจเราจะนับถือเรา แล้วเราก็จะมะีมีความก้าวหน้าในในทางโลกนะในขณะเดียวกันเรากลับไปเราก็อย่าไปอยู่นิ่งๆเฉยๆเราก็ไปวัติธไปด้วยเอการปฏิบับิในรูปแบบนะวันละสัก10นาทีก็ยังดีใช่ไหมสินาทีก็ได้นะหรือจะนานนั้นก็ได้ยิ่งดีน ะ, ะแต่ลองรูปแบบเราก็สามารถทำได้ใช่ไหม เ, ออเราขึ้นรถเมล้วก็สามารถรู้สึกตัวไปได้ด้วย ใช่หมหรือทําอะไรก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะตรงนี้มันประโยชน์เยอะแต่ไหมเพราะนั้นก็อย่าไปทิ้งเอาไว้อย่าทิ้งไว้ที่วัดเนาะนําติดตัวไปด้วยนะีตรงนี้นะเขาเรียกว่าเมื่อเรามาบวชแล้วเราจะได้สิ่งดีๆกลับไปนะสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าเรามีความลุกตัวจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าดีกว่าทุกลอตเตอรี่รางวัลที่1นอ่าสครั้งติดกันนะลอตเตอ ร, รี่รงวันที่1ได้เงินเป็นล้านๆก็จริงแต่พวกนั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะใช้แล้วก็หมดไปแแลล้้้้วววววกกกก็็ตตติดดดัไไไปมมม่ม่ยีคาาทุงเนะ แต่การที่เรามีสตินีดีกว่าทุรเตอรี่อย่างไรนะเพราะมันใช้ประโยชน์ได้เยอะอย่างที่ว่ามาแล้วนะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงและชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะตรงเนี้จะเป็นหนทางที่เรียกว่านําพราเรามีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรมนะข้อทายที่สุดขอรัตนาบารมีคุณพรณะนรัตไกรน้อมนําทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาแลถึงซึ่งความพ้นทุกได้โลเลพันทุกท่านเถิด